ในความพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณเพราะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดของวิชาวิชาในพระพุทธศาสนาวิชาตุเพเทนิวาสานุสติยานจุตูป ป, ป, ปาตยานอาสวัคคายา น, าายายานพระวิญัยพระสูตรพระพิธรรมนี้ต้นเหตุก่อกาเนิดเกิดที่นี่นัตสถานที่ตรงนี้เป็นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบความเพียรในการเจริญสมถวิปัสนา ในการประพฤติปฏิบัติจนกราสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่เราพอจะรู้กันว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเตวิ ช, ชะหรือเตวิโ ช, ชแต่ย่อๆว่าผู้มีวิ ช, ชาสามคือหนึ่งตดเทนิวาสานุสติยานคือผู้ที่ระลึกชาติก่อนได้จุตู ป, ปาตาตยานผู้รู้สัตว์เกิดสัตว์ตานี้ก็บวกอนาคตังสายานเข้ามาสรุปว่าพระพุทธเจ้านั้นตอนแรก่อๆรู้อดีตอันหาประมาณนี้ได้ ข้อสองรู้อนาคตอันหาประมาณไม่ได้ข้อสามก็คือรู้ทางที่ออกจากวัฏฏะเดชการทั้งตัวอันนั้นเรียกว่าอาศวะขยายานยานเป็นธรรมที่ออกหรือยานเป็นที่หลุดพ้นจากสัพพอาศวะทั้งหมดกา ม, มาสวะภวาสวะทุฐาสวะเลอะอวิชชาสวะกิเลสเป็นเครื่องหมักหมมเครื่องหมักรองกิเลสที่พาไหลไปสู่ในวัฏฏะ พระงนี้กําจัดเพิกถอนได้หมดสิ้นเชิงด้วยอํานาจอริยมรรคทั้งหลายของพอทัทวนได้ใชนไหมว่าเสดาปฏิมร์กาจัดอาสวะอะไรเสรดาปฏิมร์กําจัดทุตถาสวะอนาคามิมร์กาจัดกามาสวะอรหัรตมตร์กำจัดภาวะสวะและอวิชชาสวะอาสวะข ย, ยานก็คืออริยมรรคทั้งหลายนั่นเองที่สา ม, มารถกําจัดอาสวะจนหมดสิ้นโดยไม่มีส่วนเหลือ ข้อความในอังคุตรนิกายจตุการนิบาศข้อยี่สิห้ากล่าวว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายพรหมจันทร์พรหมจันทร์คือการประพฤติอันประเสริฐหรือการประพฤติอริยมรรตอันประกอบไปด้วยองค์แปดของเรานี้ประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนม่ใช่เพื่อเรียกร้องคนให้มานับถือม่ใช่เพื่ออนิสง์มีลาบสการะและความสรรเสริญม่ใช่เพื่ออนิสง์เป็นเจ้าลัทธิและแก่ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่เพื่อให้คนรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือวัตถุประสงค์ไม่มีเลยที่ลักษณะเรียกว่าตั้งความปรารถนาในการประพฤติรมจรรย์เพื่อมหาพูดก็ไม่มีเพื่อให้ผู้อื่นยกย่องนับถือบูชาสักการะก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้ก็คือมรรคธรมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวรให้รู้วัตถุประสงค์นะที่พงประพฤติเนี่ยวัตถุประสงค์ของพงคือหนึ่งเพื่อสังวร สังวรมีกี่อย่างหนึ่งสีลสังวรสองอินทรียสังวรหรือสติสังวรสามญาณสังวรสี่ขันติสังวรห้าวิริยะสังวรพระองค์ประพฤติเพื่อสังวรห้เพื่อทหารนะคือเพื่อการละการละมีกี่อย่าง5อย่างหนึ่งแตทางค่าทหาร 2. วิคัมพนะทหารส สมุเฉททหา ร, รเศะฏิปัสสติทหารและห้าในสาระทหารสรุปว่าทหารด้วยศีลสมถาวิปัสนามัตผลและนิพพานประเภทเพื่อทหาระคือศีลสมถาวิปัสนามัผลนิพพานเพื่อวิราฆะเพื่อ ว, วิราฆะหมายคือว่าเพื่อความคลายกำหนัดในวัฏฏะโดยประการทั้งปวง คือปกติหมู่สัตว์ทั้งหลายคล่องในวัตะมากหมายความว่าจิตมันเหมือนกาวไปรับอารมณ์อะไรไปแตะติดหมดเลยพระองค์ก็คือคลายราคะก็เหมือนกับว่าถอนกาวให้หลุดหมดเลยโดยที่ไม่แตะเปื้อนชาภาไว้กับวัตะเรียกว่าวิราคาแะแปลว่าความคลายกำหนัดและเพื่อนี้โรทะเพื่อดับวัตะโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นการละเว้นสิ่งที่กล่าวตามกันมาเป็นทางอย่างลงสู่พระนิพพานทางที่พระองค์ปฏิบัตินั้นเพื่อสังวรเพื่อปหานะทางนั้นมหาบุรุษทั้งหลายเพื่อแสวงหาคุณใหญ่ได้ดำเนินแล้วชนเหล่าใดดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนั้นชนเหล่านั้นเชื่อว่าทําตามคําสอนของพระศ า, าสดาจัะทําที่สุดแห่งทุกได้ ถ้าหากว่าผู้ใดตั้งความปรารถนาที่จะเดินตามมรรคาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดำเนินมาก็ให้ตั้งจิตว่าเราจะประพฤติพรมจรรย์เจริญกุศลธรรมทุกอย่างเพื่อหนึ่งสังวรสองปานะสาวิราคาสี่นิโรธสาทุเจริญกุศลก็ตั้งตามที่พระองค์แนะนำเอาไว้ถ้าปฏิบัติตามนี้จริงก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ คืศรธรรมทุกอย่างที่เจริญให้ตั้งตามแนวที่พระ อ, องค์ได้ตั้งพวกเราทั้งหลายก็ตั้งความปรารถนายังไงเมื่อเช้ายังได้ยินยจะขอตรสรถุตามพระพุทธเจ้าใชก็ตั้งอย่างนี้แหละตั้งเพื่ออะไรเพื่อสังวรตหานะวิราคะและนิโรธะสังวรคือการติดบาปตหานะคือการละบาปวิราคะคือคลายกำหนัดจากวัฏฏะนิโรธะก็คือดับวัตฏะโดยประการทั้งตวง เมื่อเช้าฟังไปถึงไหนแล้วถึงตอนตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้วิชาสามนะสรุปเมื่อเช้าที่กล่าวคือหนึ่งระลึกชาติได้ 2. รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายตลอดถึงกรรมทั้งหมด3อาศาวัคยายนเจริญด้วยปัศนาพระพุทธเจ้านั้นเจริญด้วยปัสนาโดยมรคาคือปฏิจจสมุปบาทตรัสรู้อริยสัจ ต, ตามแนวปฏิจจสมุปบาทตรัสรู้อะไรชรามรณะชรามรณะสมุทยัยชรามรณะนิโรธ ชรามรณะนิโรธาคามิหนีปฏิปทาไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยอํานาจอริยมรรคทั้งหลายพระผู้มีประภาคนั้นพอพระองตรัสรู้อรหัตธรรมของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าเพราะเหตุใดหนาอะาอรหัตธรรมของพระผู้มีประภาคเจ้าจึงเรียกว่าอนุตตรคือยิ่งสัมมาสัมโพธิญาณแต่ว่าการตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เอง ทำไมจึงถือว่าเป็นคุณธรรมที่ยิ่งยวดยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าบุคคลทั้งหลายบางท่านได้อรหัตตมกขยานแล้วก็เป็นสุขาวิปสัสสกะคือได้อรหัตผลเฉยๆโดยที่ไม่มีเครื่องประดับอย่างอื่นเลยบางท่านก็วิชาสามบางท่านก็ปฏิสัมพิทาสี่บางท่านก็อภินญาหกบางท่านก็วิโมกแปดบางท่านก็บริบูรณ์ด้วยคุณเหล่านี้บางท่านก็เป็น มหาสาวกบางท่านก็เป็นอัครสาวกมหาสาวกนี้ทั้งหมดมีแปดสิบอัครสาวกมีมีสองบางท่านก็ให้ตัจเจ ก, กโพธิยานบางท่านก็ให้สัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าพิเศษเพราะว่าอรหัตตมัคคยานของพระองค์เนี่ยเป็นการอภิเศกเป็นการอภิเศเก เ, ศเป็นพระธรรมราชาเป็นพระราชาโดยทําถ้าชาวโลกผู้ใดได้รับอภิเศกก็ถือว่าได้ครอบครอง แผ่นดินมีอำนาจในแผ่นดินพระพุทธเจ้ า, านั้นก็เหมือนกันพลียงนี้อภิเษกโดยธรรมพลียงก็เป็นธรรมราชาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมเป็นผู้บูชาธรรมเคารพธรรมสักการะธรรมธรรมที่ว่านี่คืออะไรโลกุตระธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่บูชาสักการะนอบน้อมมักผลและนิพพานตลอดจนถึงคําสอนที่ ชี้มรรลนิพพานพระองค์เคารพหมดเลยที่ว่าเป็นผู้เคารพธรรมเมื่อพระ อ, องค์บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เียกว่าพิเศษกว่าสัตว์อื่นด้วยอาสาธนายานทั้งหลายยานที่ไม่สาธารณะแก่คนทั่วๆไปเลยมีอยู่ทั้งหมดเท่าไรหกประการเดี๋ยวเราเรียนปฏิสัมพิทธา ม, มักจะถึงตอนนี้ก็จะกล่าวกันโดยย่อยานที่หนึ่งคือถ้าดูตามนี้นะสถานที่ถ้ากล่าวให้เห็นชัดหนึ่ง ย่ำ ม, มะกะปาติหารดยายานพระพุทธเจ้านี่ประทับนั่งที่โพธิบัลลังก์เนี่ยเจดวันคืนที่เจ็ดทงอะไนพระองค์เนี่ ย, น, ยนั่งพิจารณาปั จ, จเวคขณะยานสิบสองชั่วโมงพิจารณาสมุทยสัตว์สี่ชั่วโมงพิจารณานิโรสัจจะสี่ชั่วโมงพิจารณามารรคสัจจะอีกสี่ชั่วโมงพิจารณาอาริยสัจสี่อยู่ทั้งหมดสิบสองชั่วโมงมันสุดยอดของปั จ, จเวคขณะยาน ของเราทั้งหลายบางท่านได้ยินเฉพาะแค่วิธีใช่ไหมมีห้าขณะแต่จริงๆนี่ไม่ธรรมดานะใช้เวลาคข้ควรอยู่ทั้งหมดสิบสองชั่วโมงเป็นการคข้ควรแบบผู้ไม่มีนิโวธแบบผู้ชำนาญทางความคิดเต็มที่แล้วพลังน้อยมากท่านคิดอะไรของท่านน อ, อตั้งสิบสองชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเรียกว่าคนทานทั้งหลายนึกไม่ออกว่ารู้อะไรรู้แค่ไหนรู้อย่างไร รู้อย่างแค่กว้างขวางสิบสองชั่วโมงเนี่ยพอรุ่งอรุณของวันที่แปดในเทวดาก็สงสัยว่เอ๊ะพระสมณะโคโดมเนี่ยสงสัยจะต้องมีข้อปฏิบัติสักอย่างหนึ่งให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างอื่นอีกมั้งสงสัยยังไม่บรรลุจริงพระองค์ก็เลยตัดความสงสัยของเทวดาทั้งหลายเทวดาเนี่ยมามากช่วงนั้นเพราะว่าเกิดบุพนิมิตหลายอย่างด้วยกันเทวดามาเยอะอย่าว่าสมัยพุทธกาลแล้ตอนนี้คนก็ยังมา หลังลไหลมาไม่ขาซ้ายพระองค์ก็เหาะขึ้นแล้วก็แสดงแสดงยมะกะปาฏิหารตอนนี้คืออาสาธราระญาณข้อแรกยมะกะปาฏิหารนี่คือปาฏิหารที่แสดงออกเป็นคู่คู่ยมะกกานี่แปลว่าคู่อะไรก็ตามที่ออกมาเป็นคู่คู่เรื่อว่ายามะกกยมกแปลว่าคำภีที่เป็นคู่คู่ถ้าเป็นญาเหล่านี้ก็แสดงอะไรออกมาเป็นคู่คู่เช่นว่า คู่ในทีนี้คือคู่ท่อไฟกับสายน้ําเช่นว่าท่อไฟออกข้างหน้าท่อน้ําจะออกข้างหลังถ้าท่อไฟพุ่งมาข้างขวาสายน้ําก็จะไหลข้างซ้ายท่อไฟกับสายน้ําเนี่ยสลับกันถ้าพเนตรซ้ายไฟพเนตรขวาก็ต้องเป็นน้ําพเนตรขวาน้ําพระเนตรซ้ายก็ต้องเป็นไฟก็สลับอย่างเงี้ยพรนาสิกคือจมกูกจมูกซ้ายจมูกขวาก็กระแสน้ํากับท่อไฟเนี่ยไหลสลับกัน พระโสตคือหูหูซ้ายหูวขวาตลอดจนถึงพระกายเบื้องบนพระกายเบื้องล่างพระกายข้างหน้าพระกายข้างหลังตลอดจนถึงรูขุมขนทั้งหมดรูขุมขนทั้งหมดเนี่ยท่อไฟกับสายน้ําไหลออกมาท่อไฟกับสายน้ํานั้นอะ่ะจะน่าอาัศาจรรย์ต่อเมื่อมีอะไรมีฉับพันนรังสีหกประการอยู่ด้วยท่อไฟกับสายน้ําถ้าสลับกับฉับพันนรังสีหกสีจะเป็นยังไง ท่อไฟกับสายนานเนี่ยที่ไหลออกธรรมดา น, นี่ก็งามอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าสลับสีที่พุ่งออกมานั้นเป็นหกสีคล้ายๆกับสีรุง้งแต่ว่าพิเศษกว่าสีรุง้งฉัพพันตรังสีจริงๆก็มีหกสีฉับก็คือหกรังสีก็แปลว่ารัศมีนั่นเองรัศมีหกสีที่พุ่งออกมาจากพระกายทั้งหลายในขณะที่แสดงยงมากาปาัติหานี่ก็เนรมิตพระพุธเนรมิตขึ้นด้วย พระพุทธเนรมิตเนี่ยถ้าพระองค์เดินพระพุทธเนรมิตจะยืนนะั่งนอนถ้าพระองค์นอนพระพุทธเนรมิตจะยืนเดินนั่งก็สลับอยู่อย่างนี้แล้วถ้าพระพุทธเนรมิตนั่งพระองค์จะยืนเดินนอนถ้าพระพุทธเนรมิตเนี่ยยืนพระองค์จะนั่งเดินนอนก็สลับกันอยู่อย่างนี้พระองค์แสดงยมกถาปฏิหารเหล่านี้เพื่อตัดความสงสัยของ เทวดาทั้งหลายพระ อ, องค์ก็มีการพิจารณาถึงหมูสัตว์ด้วยนะในช่วงนั้นพระองค์พิออจารณาอาสยานุสยยาญ์ข้อแรกก่อนนะคือยมกะปฏปาริหารญาญญานช่วงนั้นพระองค์พิออจารณาถึงหมูสัตว์ทั้งหลายพระ อ, องค์นี้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาเมื่อคุณธาทำทั้งมวลที่เกิดขึ้นในพระ อ, องค์แล้วเนี่ยพระ อ, องค์ต้องตรวจดูคนอื่นก่อนจะช่วยคนอื่นได้อย่างไงเพราะวัตถุประสงค์ปรารถนาจะช่วยผู้อื่นเป็นอัธยาศัยของพระ อ, องค์ เมื่อแปลถนาจะช่วยผู้อื่นก็มาแล้วเลือกดูว่าผู้อื่นเขาเป็นยังไงก็ต้องตรวจดูผู้อื่นก่อนตรวจดูอัธยาศัยกับอนุสัยอันนี้เรียกว่าอาศยานุสยะยานอัธยาศัยก่อนแต่ละคนมีแนวความคิดยังไงแต่ละคนนี่มีอนุสัยคือสิ่งที่มีกําลังมากโดยเฉพาะกิเลสเข้าเป็นยังไงเนี่ยดูเลยตรวจดูอัธยาศัยกับอนุสัยอัธยาศัยเนี่ยนะว่าเยอะๆมีอะไรบ้างตามมัธยาศัยกับเนคขมัธยาศัย พยาบาทพยาใสกับอัพยาบาทพยาใสมิชฌาทิฐิเป็นอัพยาใสกับสัมมาทิฐิเป็นอัพยาใสมักหลับกับมักตื่นเป็นอัพยาใสอย่างเงี้ยนะใครเป็นอัพยาใสไหนก็ตรวจดูกันแล้วกันเป็นใบๆนั่นแหละที่อัพยาใสของตัวแล้วอนุสัยอีกคือกิเลสที่มีกําลังอนุสัยเข้าเป็นอย่างไรพิจารณาถึงกิเลสที่มีกําลังทั้งหลายเมื่อพรองตรวจอย่างเงี้เรียกว่าอาสยานุสยญาณ พ้องสามารถอย่างรู้ว่าผู้ที่มีอัธยาศัยดีเนี่ยพร้อมจะบรรลุได้ไหมรู้เขาจะบรรลุได้ไหมอันนี้ตรวจดูนี้ใช่อะไรอินทริยะโปรโปริยัตายานอินทริยะโปรปริยตะตะเนี่ยแปลว่าอินทรีย์ก่อนโปรปริยะัตตะแปลว่ารู้ความยิ่งความหย่อนคือรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์รู้ว่าคนนี้ศรัทธาเพิ่มแน่นะคนนี้วิริยะคนนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญา คนนี้เกือบบรรลุแล้วคนนี้อีกนานจะได้บรรลุคนนี้อีกหลายชาติเรียกว่าอินทริยะโรปรโยปยติยตักยานสองอย่างคืออาศยานุสยายายนกับอินทรียะโรปรโริยัติยานเขามีชื่อว่าพุทธจักสุจักสุของพระพุทธเจ้าตานี้เอาไว้ตรวจเพื่อจะสงเคราะห์หมูสัตว์ทั้งหลายทรองที่จารนาหมูสัตว์พรองกลับมาและลึกถึงที่ที่พระ อ, องค์ตรัสรู้อีกพระองค์ไปทางทิศทักษิณคือทิศตะวันออก เราดูข้างหลังเราทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าอนิมิตเจดีเจดีตรงนั้นที่เราเข้ามาก็ไปกราบมาเรียบร้อยแล้วไปกราบไปสรรเสริญตรงนั้นมาแล้วนั่นแหละเป็นอนิมิตเจดีสีขาวขว ข, ข, ข้างหลังเราทั้งหลายพระองค์ก็มองดูสถานที่ที่พระ อ, องค์ประทับนั่งคือดูแท่นวชระอาจกับดูต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะพระ อ, องค์มหวนดําลึกถึงว่าพระ อ, องค์ทำทุกอย่างบําเพ็ญบารมีทุกอย่างมาตลอดเสียสงไข่แสนกับ หวังเพื่อการแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานอันนี้ที่เท่าไหร่ละที่สี่ใช่ไหมหวังแทงตลอดสัพพัญยุตยานเมื่อพระองค์หวังแทงตลอดสัพพัญยุตยานพ ร, ะ อ, น ร, นพระองค์ได้สัพพัญยุตยานอย่างนี้แล้วพระองค์หวรงะลึกถึงทุนของสถานที่ที่ทําให้พระองค์ได้ทยาณอันนี้ขึ้นผู้ที่บรรลุที่ใดจะไม่ลืมสถานที่ตรงนั้นอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับพระราชาได้รับอภิเษกที่ไหนจะไม่มีการลืมที่นั่น หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าคลอดที่ไหนมาโดยมากคนก็จะไม่ค่อยลืมที่ ท, ที่ที่ตัวเองเกิดฉันใดการที่พระองค์เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปนโนโลเกเนี่ยอุบัติขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์เนี่เกิดณสถานที่ตรงนี้พระองค์จึงละลึกถึงคุณตรงนี้สัพพัญญุตยานคืออะไรคือสมัญตะจักษุคือตาที่รู้รอบรอบ ร, รู้รู้ทั้งอดีตอันหาที่สุดไม่ได้รู้อนาคตอันหาประมาณไม่ได้ รู้ปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งหมดอะไรก็รู้หมดการรู้เหล่านี้เป็นการรู้แบบไม่ขัดในห้องอันนี้เรียกว่าอนาวรณะเป็นการรู้ที่ประสงค์จะรู้รู้เลยทันทีแค่นึกก็รู้ได้เลยนึกปั๊บเนี่รู้เลยว่าสถานที่ตรงนี้เมื่อแปดล้านปีที่แล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างแค่นึกก็รู้ล้วเพราะพอมีความชํานาญขนาดนั้ น, น, นเรียกว่าอาวชนะวสีอันนี้พงษ์ก็หวนัะลึกอันนี้เป็น อนาวรณายานสัพพัญยุตยานที่ไม่มีอะไรขวางขั้นสัพพัญยุตยานแปลว่ารู้รอบรู้หมดรู้ไม่มีส่วนเหลืออนาวรณายานคือไม่มีอะไรประหว่างขั้นยานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่มีก็เพราะว่าพราะองค์มีกรุณากรุณาต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายกรุณานั้นเรียกว่ามหากรุณาสมาบัติยานถ้าพูดแบบภาษาไทยๆเรียกพระองค์เนี่ยมองเราทะลุโปร่ปรงหมด ความเลวร้ายของเราส่วนไหนมีอยู่นะพระองค์มองเห็นหมดเลยทั้งที่เป็นความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนบาปอาุศลกิเลสทั้งหลายสารพัดอย่างที่อยู่กับเราทั้งหลายเนี่ยรู้หมดโดยเฉพาะสายบาปอาุศลความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนความเร่าร้อนของหมูสัตว์ทั้งหลายพอจําได้ชนะอาสาธนญาณหหนึ่งยมกัปาฏิหารยานสอง อาสยานุสยายานสามอินทริยโปรปรยติยาน 4. สี่สัพญุตยานห้าอนาวรณายานแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พระองค์มีมหาการุณาสมาบัติยานการุณาคนอื่นมากก็พเพราะแรงแห่งการุณานั่นแหละทำให้พระ อ, องค์ไม่ปรารถโเมื่อสีอสงไขยแสนกับที่แล้วเพราะการุณาผู้อื่นเห็นใจผู้อื่น ทำไงเนาะจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามด้วยของเราก็หวังว่าสิ่งที่พระ อ, องค์คิดของประสบความสําเร็จหวังว่าสิ่งที่พระ อ, องค์หวังจะช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้หวังว่าเราจะได้ตรัสรู้ตามที่พระ อ, องค์หวังเอาไว้ในตอนนั้นใช่ไหมพระ อ, องค์ประทับยืนอยู่ตรงนั้นเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยถามว่านิสัยของผู้มีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยดูอยู่แค่จักขูปิ ญ, ญาณหรือไม่น่าใช่แล้วพระ อ, องค์คิดอะไรเจ็ดวัน อันนี้น่าคิดมากเพืวอพิจารณาอะไรหนอตั้งเจ็ดวันใครค่ควนอย่างไรหนอะเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นการบ้านที่เราจะต้องไปค้นคว้าต่อไปไปศึกษาต่อไปเพราะว่าเป็นวิสัยของสาวกทั้งหลายที่จะเรียนรู้ถึงความรู้ความสามารถของพระบรมศาสดาของเราเพองนั่งเจ็ดวันยืนเจ็ดวันและอิริยาบถ ท, ที่สามตามมาก็คือเดินจงกรมเรีว่ารัตนจงกรมรัตนจงกรมตรงนี้เขาให้สร้างจําลองเป็นเนรมิตเอาไว้หลายๆเท่าน เป็นเ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยพระองค์เดินจากโน้นที่อันนี้มิสตเจดีเนี่ยมาที่เท่นวันชระอาสน์เนี่ยนับว่าทางจองกรมไม่ใช่ใ ก, ใกล้นะไกลพอสมควรเพราะถ้าเดินใกล้เนี่ยเดินอยู่เจ็ดวันทั้งสายวิงเวียนทิศาเนี่แต่สมัยนี้เขานิยมจองกรมกันอยู่แค่สิบเก้าเดินกลับไปกลับมาดีไม่ล้มลงตรงนั้นแต่เขาสมัยใหม่เขาไม่อยากเดินจองกรมอยู่แล้วเขาเลยก็ย่องเอาพระองค์ก็เดินเจ็ดวันด้วยกัน ถามว่าเดินและคิดอะไรอ่ะตัวจิตที่เป็นสมุดฐานให้เดินนั้นจิตนั้นรู้อะไรต้องคิดอะไรหนอเดินต้งเจ็ดวันคือชวนะใช้ความคิดได้เดินได้ตัวที่คิดกับตัวที่เดินนั่นคือดวงเดียวกันเพราะจิตตัวที่คิดพิจารณาทั้งหลายเนี่ยทํากายวิญยัตทําให้เดินผลถามว่าชาวนะตัวนั้นนีิพ อ, องรู้อะไรหนอะเจ็ดวันเดินไถ่ควรพิจารณาอะไรหนอะเจ็ดวัน พอพิจารณาใคร่ครวนอย่างนี้แล้วพระองค์ก็มานั่งที่รัตนคระเจดีที่เราไปล้อม้ากันเมื่อกี้นะมาประทับนั่งที่นั่นพิจารณาที่เรียกว่าพิจารณารัตนานี้แปลาวา่าแก้วคระแปลาวา่าเรือนที่เรียกว่าเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตรให้พระองค์ไปทับนั่งพิจารณาอาภิธรรมปิดกพิจารณาเช่นว่าพิจารณาธรรมสังคีนีธรรมสังคีนีก็คือพิจารณาจิตก่อนพิจารณาจิตกับเจตสิก ธรรมชาติของจิตนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยอะไรวัตถุกับอารมณ์พร้อมทั้งสัมปยุตธรรมความคิดเวลาเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยวัตถุอารมณ์และสัมปยุตธรรมพระองค์นี้จําแนกความคิดว่าความคิดมีกี่ประเภทความคิดหรือจิตทั้งหมดมีกี่ประเภทโดยย่อแปดสหรือหนึ่งยสอดวง จากวัตถุอารมณ์พร้อมทั้งสัมปยุทธธรรมเนี่ยหลักการมีอยู่เท่านี้ขยายไปแล้วได้แปดสิบเก้าหรือหนึ่งรอยี่สิบเอ็ดวงอันนี้ในหนึ่งคนนะแล้วโมเสต์ทั้งหลายมีกี่คนมากมายนะตั้งแต่สัตว์กระจอกงอกง่อยไปจนถึงจิตของพระสัพพันธ์ยูเช้าอะ่ะลองพิจารณาทั้งหมดถ้าว่าโดยจำแนกโดยประเภทอย่างโย่อๆก็เอาไปคิดก็แล้วกันว่าจิตนี้นับหนึ่งก็ได้นับสองได้ไหม ได้จิตที่อาศัยวัตถุกับไม่อาศัยวัตถุแบ่งออกเป็นสามได้ไหมได้กุศลอกุศลอัพยากตะแบ่งเป็นสีได้ไหมได้โดยภูมิกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตรรภูมิโดยหกได้ไหมได้ก็อาศัยทวารหกเกิดขึ้นหรืออาศัยอารมณหกนี้เกิดขึ้นแบ่งเป็นเจ็ดได้ไหมก็วิญญาณทิฏฐิเจ็เกี่ยวกับเรื่องปฏิสนธิวิญญาณ ทองนี้สามารถวิเคราะห์จิตจิตนี้ถ้านับแบบย่อๆก็แปดสิบเก้าเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็ร้อยยี่สิบเอ็ดหรือขยายได้ก็อย่างไม่มีที่สุดและไม่มีประมาณวิจิตจริงๆเลยนะเพราะใช้คําว่าจิตเนี่ยจริงๆก็มาจากคําว่าวิจิตจิตนะมาจากคําว่าจิตตะมันวิจิตเหลือเกินเนี่ยจิตความคิดเนี่ยเคยได้ยินมาพอบอกเออนี่เนาะความคิดเพราะเพื่อคํานี้ก็ยอมรับอ่ะนะเพราะวันหนึ่งเนี่ยที่นั่งฟังทำนี่คิดกี่เรื่องแล้วเนี่ย ต่างหลายอย่างอะไรใช่ไหมพูดคำหนึ่งก็พาไปคิดไปเรื่อยเลยนะเพใช้ความคิดเปลืองมากเลยนะผลความคิดก็เป็นธรรมชาติที่วิจิตวิจิตโดยวัตถุโดยอารมณ์สัมปยุตรธรรมโดยอาทิตย์บดีโดยสสังขาริกอสังขาริกเป็นต้นพร่องพิจารณาจิตทั้งหมดพิจารณาสัมปยุตรธรรมทั้งหมดแล้วเมื่อพิจารณาจิตเสร็จอันนี้เรียกว่าจิตตุปาท่ากันเมื่อพิจารณาจิตก็ว่าพิจารณาอะไรพิจารณารูปพิจารณารูปเป็นที่เกิดของจิต หรือเป็นอารมณ์ของจิตเป็นปัจจัยที่สําคัญของจิตพิจารณารูปทุกประเภทไม่มีส่วนเหลือรูปเนี่ยสมมติเพื่แบบสรุปก็คือหมื่นจักรวาลเนี่ยไล่ตั้งแต่อเวจีไล่ไปจนถึงพรหมชั้นอกคนิ t ฐาพรหมเนี่ยอกคนิ t ฐาที่ในสุทธาวาสประกอบไปด้วยรูปชนิดใดเหล่าใดบ้างพรอมพิจารณารูปเหล่านั้นเนี่ยอย่างละเอียดที่แสานกว้างขวา ง, วางจนแบ่งรูปหมวดหนึ่งหมวด2หมวดสาหมวด4หมวด 5, ห้าหมวด6หมวด7 หมวดแหมวดเกหมวด1ิบเหมวดสิเป็นต้นเนี่ยแบ่งรูปโดยประการต่างๆโดยนิยต์ต่างๆอย่างมิจิตพิสดารมากเกี่ยวกับเรื่องรูปทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการพิจารณารูปเมื่อพิจารณารูปเสร็จต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ตามอะไรอัตถกถากันกับนิเคปการคือพิจารณานี้โดยหลักติกรมาริกายยืสองทุกกรมาธิกาหนึ 2, ่งร้อยโดยเอาหลักธรรมคือจิตเจตสิกรูป มาวิเคราะห์มาวิจัยโดยมาติกาโดยหัวข้อติกามาติกาเนี่ยยี่สิบสองก็เท่ากับยี่สิบสองคูนสามท่ากับหกสิบหกหัวข้อจิตเจตสิกมาคูณหกสบหกหัวข้อโดยนิยะต่างต่างแล้วพิจารณาจิตเจตสิกดังกล่าวไปเนี่ยพิจารณาโดยทุกขามาติกาหนึ่งร้ยหนึ่งร้อยคูนสองก็เท่ากับ สองร้อยเอาจิตเจตสิกเป็นต้นนมาคูณสองร้อยโดยพิจารณาวิจัยโดยรอบครอบคบถ่วนกระบวนความอันนี้ทั้งหมดเนี่เรียกว่าขปีธรรมสังขีนีเป็นคัมภีที่หนึ่งที่พระ อ, องค์พิจารณาเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็สงเคราะห์ลงวิพังสิบแปดวิพังเอาจิตเจตสิกเอามาติกาทั้งหมดเหล่านั้นมาสงเคราะห์ตามวิพังสิบแปดวิพังสิบแปดวิพังมีอะไรบ้างขันธวิพัง ถ้าเป็นภาษาส่วนขันธวิพังโคอายยตนาวิพังโคถาตุวิพังโคสัจจวิพังโคอินทรียวิพังโคปัจยาการวิพังโคสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทวิพังแล้วก็โพชฌงคาวิพังมรควิพังอัตมัญญาวิพัง์สิกขาบทวิพังค์ชานวิพังตลอดจนถึงคุธกาวิพัง์แล้วก็ญาณวิพังเรียกว่าวิพังสิบแปดวิพังค คูณด้วยคัมภีร์ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมาจัดสงเคราะห์ลงหมวดหมู่โดยวิพังสิบแปดเราฟังในะหัวข้ อ, อยังแทบจำมือเลยนะไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะนี่ขนาดพูดโฉบเฉี่ยวหัวข้อเฉยๆนะเนี่ยเดี๋ยวเขวาวางพื้นฐานให้รัศมีออกของเรายัางเงือออกกันแล้วกันทรงก็พิจารณาวิพังเหล่านี้สรุปว่าพิจารณาโดยขันโดยอายตนะโดยธาตุโดยอินทรีย์โดยสัตจะโดยปัจจัย โดยสติประฐานสัมมาประธานอิทิบาทโพ้ชงมัชฌานอั ป, ปมัญญาสิกขาบทคุถกะแล้วก็ญาณวิพังพิจารณาอย่างละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์รอบครอบทั้งหมดโดยนัยยะต่างๆพอพิจารณาเสร็จพระองก็มาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นโดยธาตุกถาโดยการสงเคราะห์ได้การสงเคราะห์ไม่ได้เอาสิ่งที่สงเคราะห์ได้กับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ สิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้กับสิ่งที่สงเคราะห์ได้สงเคราะห์ไม่ได้กับสงเคราะห์ไม่ได้สงเคราะห์ได้กับสงเคราะห์ได้สรุปว่าหัวข้ออีกสิบสี่หัวข้อใหญ่ก็มาพิจารณาเรียกว่าคำว่าธาตุกระถาเป็นต้นโดยขันอายตนะธาตุธาตุกระถาก็คือคำมาจากคําว่าขันอายตนะธาตุสามอย่างเนี่ยมาวิเคราะห์วิจัยโดยขันอายตนะธาตุอย่างละเอียดรอบครอบบริบูรณ์พอพิจารณาเสร็จก็เอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งบุคคลทั้งหลาย คือที่พระองค์บรรยัติเป็นขันธ์อายตนะธ า, าตุไปแล้วก็เป็นบุคคลใช่ไหมบุคคลทั้งหลายมีอะไรบ้างบุคคลที่บรรลุโดยสมัยเช่นสมรยวิโมกอสมรยวิโมกเป็นต้ น, นบุคคลผู้เป็นอุคติตันยูวิปัญจิตันยูหรือบุคคลประเภทสัทธานุสารียุทธารรมานุสารียจนแบ่งประเภทบุคคลต่างๆก็บุคคลนี้วิจิตจริงๆนั้นในโลกของปุถุชนในโลกของพระอริยะผู้ที่ได้คุณธรรมเหล่านี้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้ ก็มาบัญญัติเรียกว่าคำภี์ปุครองบัญญตัติในอภิธรรมเองก็มีบัญญัติอยู่นะคัมภี์นั้นเรียกว่าปุครองบัญญตัติเมื่อพิจารณาปุครองบัญญตัติสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความถ้อยคาที่เอาไว้พูดคุยกันเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คนจะเข้าใจผิด <S <S เข้าใจถูกมันก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมของก็พิจารณาสิ่งที่เข้าใจผิดเข้าใจถูกนั่นแหละเรียกว่าพิจารณากระทำวัตถุ วัตถุเป็นที่สนทนาพูดคุยกันเป็นที่ต้านแห่งความเข้าใจผิดก็พิจารณากระถาวัตถุปุคโคภะรปฏิสัจคตาะะปรมัตเธนาติเป็นต้ น, นนะมีการพิจารณาทั้งโดยบัญญัติกับโดยปรมัตมาควบคู่กันเพราะว่าทั้งบัญญัติปรมัตเหล่านี้สําหรับผู้ศึกษามไม่ดีเป็นที่ต้านแห่งความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากเมื่อพระองค์พิจารณาอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็พิจารณาอะไรต่อไป พิจารณายมกะพิจารณาเป็นคู่คู่เช่นตั้งแต่อะไรมูลยมกะขันธยมกะธาตุยมกะอินทรียยมกะสัจจะยมกะเป็นต้นที่เรียกว่ายมกษิตรที่เราสนใจก็คือเช่นอนุสัยยมกะมีอนุสัยท่างลๆอย่างสังขารไดยมกะเป็นต้นก็คัมภีร์ยมกะก็น่าเรียนน่าศึกษาพระองค์ก็พิจารณาในที่สุดพระองค์ก็พิจารณาอะไรสุดท้ายมหาประธานขึ้นต้นด้วย เห hey, ตุปั จ, จโยอารมณนะปั จ, จโยอาทิปติปั จ, จโยเป็นต้นซึ่งเราจะสวดในตอนหลังเราก็จะสวดสรนเริญอยู่เพราะว่าท่านอาจารย์ส ม, มน์ฝากให้มาสวดสาธยายกับพิธามเจ็ดคำพี ด, ด้วยนะอีกสักพักเราจะได้สวดสรนเริญสาธยายในส่วนนี้ด้วยพระองค์พิจารณาปัจฐานเอาปัจจัยี่สิบสี่ปัจจัยี่สิบสี่นี้ก็มาจำแนกโดยประการต่างๆเป็นอุเทศเป็นนิเทศ แล้วเอาปัจจัยยี่สิบสี่ไตคูณกับติกะมาติกากับทุกกามาติกาตั้งเป็นหัวข้อปุชชาเรียกว่าปุชชาวาระลักษณะการตั้งคําถามเฉพาะในคัมภีร์ที่เราเรียนตัวเลขสิบสองหลักเกี่ยวกับหลักการตั้งคําถามเจ็ดหลักนีล้านถ้าสิบสองหลักเลยเป็นแสนล้านอะ่ะทีนี้แสนล้านเหล่านั้นไม่ใช่แค่หลักการหรือว่าเป็นสตังที่มันไม่ต้องไปซับซ้อนมากนะแต่นี้มีรายละเอียดซับซ้อนมาก พ่อพิจารณาอย่างละเอียดพิจารณามหาปัฏฐานทําให้มีฉับพันณรังสีออกมาเลยฉับพันณรังสีนั้นนะ่ะพระรัตนีมีเอกประการณ์เกิดโดยอาศัยการพิจารณาพระอาทิธรรมปิดกโดยเฉพาะคำพิีร์มหาปัฏฐานก็เลยได้เกิดพระฉับพันณรังสีที่เราเรียกว่าพุทธรัตนีถ้าอุปมาย่อๆพอจะนึกออกได้ในตอนนี้ก็คือ เหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์เรียกว่าอังคีรถเพราะว่าแดนสั้นออกแห่งรัศมีฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นบุคคลที่มีรัศมีออกจากพระวรกายจึงเป็นบุรุษอัศจรรย์เป็นอัศจรรย์บุรุษที่เกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองพิจารณาอาภิธรรมพอพิจารณาอาภิธรรมเสร็จหลังจากนั้นพระองค์ทำยังไงก่อนที่จะทํำยังไงก็สาธยาย อภิธรรมก่อนนะเอกสารที่ว่าเอามาแจกกันนะอยู่ในเล่มบทสวด